จงประกอบความเพียรเถิดเมื่อเราร่วงรับไปแล้วเธอจะต้องประสบอรหัตผลเป็นพระอรหันต์ในไม่ช้าตัดดังนี้แล้วจึงเรียกภิกษุทั้งหลายเข้ามาสู่ที่ใกล้แล้วสรงสรรเสริญพระอานนท์เป็นอเนกกับปริยายเป็นต้นว่าภิกษุทั้งหลายอานนท์เป็นบัณฑิตเป็นผู้รอบรู้และอุปถากเราอย่างยอดเยี่ยมพระอรหันต์จะสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งนาจีดนานาคต ซึ่งมีที่สุเป็นผู้อุปสากนั้นก็ไม่ดีเกินไปกว่าอานน์อานน์เป็นผู้ดาเนินจิตด้วยปัญญารู้การที่ควรไม่ควรรู้การที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่มาเฝ้าเราว่าการนี้สาหรับกษัตริย์การนี้สำหรับราชามหาอามาตการนี้สำหรับคนทั่วไปควรได้รับการยกย่องนาน า, นานประการมีคุณธรรมน่าอัศจรรย์ผู้ที่ยังไม่เคยเห็นไม่เคยสนทนา ก็อยากเห็นอยาสนทนาด้วยอยากฟังธรรมของอานน์เมื่อฟังก็มีจิตใจเพลิดเพลินยินดีในธรรมที่อาโ น, น์แสดงไม่อิ่มไม่เบื่อด้วยธรรมวารีรสภิกษุทั้งหลายอานน์เป็นบุคคลที่หาจะยากผู้หนึ่งพระอานน์ผู้มีความห่วงใยในพระศาสดาไม่มีที่สิ้นสุดกราบทูลด้วยน้ําเสียงที่ยังเศร้าอยู่ว่าพระองค์ผู้เจริญ ทรงเป็นประดุษพระเจ้าจากักรพรรดิในทางธรรมทรงสถาปานาอาณาจักรแห่งธรรมขึ้นทรงเป็นธรรมราชาสูงยิ่งกว่าราชาใดๆในพื้นที่พบนี้ข้าพระ อ, องค์เห็นว่าไม่สมควรแก่พระองค์เลยที่จะปรินิพานในเมืองกุศินาราอันเป็นเมืองเล็กเมืองน้อยขอพระ อ, องค์ไปปรินิพานในเมืองใหญ่ๆเช่นราชคฤห์สาวัตถีจมปาสาเกตโกสัมพี าระราศีเป็นต้นเถิดพระเจ้าค่าในมหานครเหล่านั้นกริยัพราหมณ์เศรษฐีขหาหบดีและชาวนครทุกชั้นที่เลื่อมใสในพระองค์ก็มีอยู่มากจากได้ทำมหาสการะแด่สรีระแห่งพระองค์เป็นมโหลานควรแกการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งอุดมรัฐในโลกอานนท์เธออย่ากล่าวอย่างนั้นเลยชีวิตของสถาคตเป็นชีวิตแบบอย่าง ตถาคตที่ผ่านไปแต่เพียงรูปเท่านั้นแต่เกียรติคุณของเราคงอยู่ต่อไปเราต้องการให้ชีวิตนี้งามทั้งในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดอานอนท์เออยตถาคตอุบัติแล้วเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนเมื่ออุบัติมาสู่โลกนี้เราเกิดแล้วในป่านามว่ารูปีดีเมื่อตัดสั้อนุตระสัมมาสัมโพธิญาณ เราก็ได้บรรลุแล้วในป่าตะบนอุรุเวลาเสนานิคมแขวงเมืองราชครือมหานครเมื่อตั้งอาณาจักแห่งธรรมขึ้นเป็นครั้งแรกได้สาวกิงห้าคนเราก็ตั้งลงแล้วหน้าป่าอิสิปตนะมฤคธายะเขตเมืองพาราณสีครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแห่งเราเราก็ควรนิ่งพานในป่าเช่นเดียวกันอันหนึ่งกุศินารานี้ แม้บัดนี้จะเป็นเมืองน้อยแต่ในโบราณกาลกุสินารานี้เคยเป็นเมืองใหญ่มาแล้วเคยเป็นที่ประทับของพระเจ้จาจักรพรรดินามว่ามหาสุทัศนะนครนี้เคยชื่ออุสาวดีเป็นราชธานีที่สมบูรณ์มั่งคัง่งมีคนมากมีมนุษยนิกรกลื่นกลลสร่างพร้อมด้วยทัญอาหารมีธรามนียสถานที่บันเทิงจิต ตระดุจดังราชธานีแห่งที่พยนครกุสาวดีราชธานีนั้นคือกล้องนฤนาททั้งกลางวันและกลางคืนด้วยเสียงสิบประการคือเสียงข้อสารเสียงพาชีเสียงเพลีและรถเสียงตะโพนเสียงพินเสียงขำร้องเสียงกังสดานเสียงสังรวมทั้งสำเนียงประชาชนเรียกกันบริโภคอาหารด้วยความสำราญเบิกบานจิต พระเจ้ามหาสุทัศนะองค์จักรพรรดิเล่าก็ทรงเป็นอิสราที่ประดีในปัิพีมณฑลทรงชำ ร, ประปัญจมิตรโดยธรรมไม่ต้องใช้ทางและสัตว์ลาชนบทสงบราบคาบปราศจากโจรผู้ร้ายมารดายังบุดให้ฟ้อนอยู่บนอกด้วยความเพลิดเพลินประตูบ้านปราศจากริ่มสลักเป็นนครที่รื่นรมร่มเย็นสมเป็นราชธานีแห่งพระเจ้าจักรพรรดิอย่างแท้จริง อีกอย่างหนึ่งอานอน์เอยเมื่อมองมาทางธรรมเพื่อให้เกิดสังเวชสลดกิจก็พอคิดได้ว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมุ่งไปสู่จุดสลายตัวอานอน์จงดูเถิดพระเจ้าจากักรพรรดิมหาสุทัศนะเองก็สิ้นพระชนไปแล้วเมื่อกุษาวดีก็เปลี่ยนมาเป็นกุศินาราแล้วประชาชนชาวกุษาวดีก็ตายกันไปหมดแล้ว นี่แหละไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรยั่งยืนตถาคตเองก็จะนิพพานในในชานี้แล้วพระศาสดาก็รับสั่งให้พระอานนุ์ไปแจ้งข่าวปรินิพพานแก่มลรกษัตริย์ว่าพระตะถาคตเจ้าจากปรินิพพานในยามสุดท้ายแห่งลาทรีเมื่อมรลกษัตริย์ผู้ครองนครกุศินาราทรับข่าวนี้ต่างก็ทรงกาสรดโศกาดูนทุกทวมนัตทัพทวี ขยายพระเกสายกพระพาหาทั้งสองขึ้นแล้วคร่ำครวนล้มกลิ้งเคลือกประหนึ่งบุคคลที่เท้าขาดร่ำไรรำพันถึงพระโลกนาฏว่าพระโลกนาฏดวปนปณิธานนักดวงตาของโลกดับลงแล้วประดุจตุิยาซึ่งให้แสงสว่างดับพูดลงด้วยอาการโศกาดูวนดังนี้มันรักษัตร์ตามท่าอนุนไปเฝ้าพระศ า, าสดาณส า, าลวโนทยาน ถ้าอาณ น, นจัดให้เข้าเฝ้าเป็นตระกูลตระกูลไปแล้วกลับสู่สันาคาลคืนนั้นมันลักษัตร์ประชุมกันจนสว่างไี่ได้บรรทมเลยท่ามกลางบรรยากาศดังกล่าวนี้นักบวชปริภาชบหนุ่มคนหนึ่งขออนุญาตผ่านฝูงชนขอเข้าเฝ้าพระาศาสดาถ้าอานนลได้สดับันเนียงนั้นจึงออกมารับและขอร้องยิงวอนว่า อย่ารบกวนพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยข้าแต่ท่านอานน์ปริพาชกผู้นั้นกล่าวข้าพระเจ้าขออนุญาตเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ทูล ถ, ถามข้อข้องใจบางประการขอท่านได้โปรดอนุญาตเถิดข้าพระเจ้าสุพัฒท่ปริพาชกอย่าเลยสุพัฒท่ท่านอย่ารบกวนพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยโทะงทรงลําบากพระวรากายมากอยู่แล้วพระงประชวรหนัก จะบริญิพานในยามสุดท้ายแห่งลาฏีนี้แน่นอนท่านอานอน์สุภัททะวิงวอนต่อไปโอกาสของข้าพเจ้าเหลือเพียงเล็กน้อยขอท่านอาศัยความเอ็นดูโปรดอนุญาตให้ข้าพเจ้าเฝ้าพระศาสดาเถิดพระอานอน์คงทัดทานอย่างเดิมและสุภัททะก็อ้อนวอนครั้งแล้วครั้งเล่าให้ยอมย่อท้อจนกระทั่งได้ยินถึงพระศาสดาทร้งมหากรุณาอันไม่มีที่สิ้นสุด รับสั่งกับพระอานน์ว่าอาหนให้สุภัต t h เข้ามาหาตถาก็เถิดเพียงเท่านี้สุภัตท h a ปริพาชกก็ได้เข้าเฝ้าสมประสงค์เข้ากราบลงใกล้แท่นบนรรทมแล้วทูลว่าข้าแต่พระจอมมูลีข้าพระองค์นามว่าสุภัท t h ถือเพศเป็นปริพาชกมาไม่นานแต่ยินกิติสท์เล่าลือเกียรติคุณแห่งพระองค์แต่ก็หาได้เคยเข้าเฝ้าไม่บาดนี้ พระองค์จะดับขันธปรินิพานแล้วข้าพระองค์ขอประธานโอกาสซึ่งยีอยู่น้อยนี้ทูลถามข้อข้องใจบางประการเพื่อจะได้ไม่เสียใจภายหลังถามเถิดสุภัทะพระาศาสดาตรัสพระองค์ผู้เจริญคณาจารย์ทั้งหกคือปูรณะกัสปะมะคลิริโคสาระอาชิตเกตกรัรมพลปกุฏทะกัจจายณนะสันชัยเวรัตบุตรและนิคนนาบุตร เป็นศาสดาเจ้าลทัทธิที่มีคนนับถือมากเคารพ บ, บูชามากศาสดาเหล่านี้ยังจะเป็นพระราหัน์หมดกิเลสหรือประการใดเรื่องนี้หรือสุพัทธะที่เธอดิ้นรนขนขวายมาหาเราด้วยความพยายามอย่างยิ่งยวดพระศาสดารัตว์ท่านยังหลักพระเนตรอยู่เรื่องนี้เองข้าเจ้าข้าสุพัทธาทาูลท้าอาณ น, นรู้สึกกระวนกระวายทันที เ้ราเรื่องที่สุภัทธะมารบกวนพระศ า, าสดานั้นเป็นเรื่องที่ไร้าสาะระเหลือเกินขณะที่พระอาหนุ์จะเชิญสุพัทธะออกจากที่เฝ้านั่นเองพระศ า, าสดาก็ตรัสเพงว่าอย่าสนใจกับเรื่องนั้นเลยสุพัทธะเวลาของเราและของเธอเหลือน้อยจนทีแล้วจงถามสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเธอเองเถิดข้าแต่ท่านสมณะถ้าอย่างนั้นข้าพระ อ, องค์ขอทูลถามปัญหาสามข้อคือ รอยเท้าในอากาศมีอยู่หรือไม่สมณภายนอกศาสนาของพระองค์มีอยู่หรือไม่สังขารที่เที่ยงมีอยู่หรือไม่สุภัททะรอยเท้าในอากาศนั้นไม่มีศาสนาใดไม่มีมรรคในงแปดสมณะผู้สงบถึงที่สุดก็ไม่มีในศาสนานั้นสังขารที่เที่ยงนั้นไม่มีเลยสุภัททะปัญหาของเธอมีเท่านี้หรือมีเท่านี้พระเจ้าข้า สุภัทธาทูลนัล้นยิ่งอยู่ท้าพุทธองค์ผู้ทรงอนาวรณญานทรงทราบอุปนิสัยของสุภัทธแล้วจึงตรัสต่อไปว่าสุภัทธาถ้าอย่างนั้นจงตั้งใจฟังเถิดเราจะแสดงธรรมให้ฟังแต่โดยย่อดูก่อนสุภัทธาอริยมรรคประกอบด้วยองค์แปดเป็นทางประเสริฐสามารถให้บุคคลผู้เดินไปตามทางนี้ถึงเส้นความสงบเย็นเต็มที่ เป็นทางเดินไปสู่อมตะดูก่อนสุภัททะถ้าภิกษุหรือใครก็ตามจะพึงอยู่โดยชอบปฏิบัติดำเนินตามมรรคอันประเสริฐประกอบด้วยองค์แปดนี้อยู่โลกก็จะไม่พึงว่างจากพระอระหันต์สุภัททะฟังพระพุทธดำรัสนี้แล้วเลื่อมใสทูลขอบรรพ ช, ชาอุปสมบทพระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ที่เคยเป็นนักบวชในาศาสนาอื่นมาก่อน ถ้าประสงค์จะบวชในศาสนาของพระองค์จะต้องอยู่ติดพิยะปริวาสคือบำเพ็ญตนทำความดีจนพิสูจทั้งหลายไว้ใจเป็นเวลาสี่เดือนก่อนแล้วจึงจะบรรพชาอุปสมบทได้สุภธาทูลว่าเขาพอใจอยู่บำรุงปฏิบัติพิสูจทั้งหลายสักสีป่ปีพระศาสดาทรงเห็นความตั้งใจจริงของสุภทาดังนั้นจึงรับสั่งให้พระอ น, นุน นำสุภัทธะไปบปรรพชาอุปสมบทถ้าอานนรับพุทธบัญชาแล้วนำสุภัททะไปหน้าที่ส่วนหนึ่งตรงผมและหนวดแล้วบอกกรรมาฐานให้ให้ตั้งอยู่ในไตรสรารณาคมและศีลสำเร็จเป็นสมณีนบรรพชาแล้วนำมาเฝ้าพระศาสดาถ้าผู้ทรงมหากรณาให้อุปสมบทแกสุภัททะเป็นพิสุโดยสมบูรณ์แล้วตัดบอกกรรมาฐานอีกครั้งหนึ่ง สุภัสทภิสุใหม่ตั้งใจแน่วแน่ว่าจะพยายามให้บรรลุพระรหัสผลในคืนนี้ก่อนที่พระศาสดาจะนิพพานจึงออกไปเดินตรงกลมอยู่ในที่สงัดแห่งหนึ่งในบริเวณสารวโนทยานบัดนี้ร่างกายของสุภัสทภิสุห่อหุ้มด้วยผ้ากาสาวพัดเมื่อต้องแสงจันในราตรีนั้นดูผิวพรรณของท่านเปล่งปลั่งงามอัมภัย มาจจิมายามแห่งราตรีจวนจะสิ้นอยู่แล้วดวงรัชนีคลมโตเคลื่อนย้ายไปอยู่ทางท้องฟ้าด้านตะวันตกสุภาาัชชาพิสุดตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะบำเพ็ญเพียรคืนนี้ตลอดราตรีเพื่อบูชาพระาศาสดาผู้จะนิพพานในปลายปัดจิมายามดังนั้นแม้จะเหตดเหนื่อยอย่างไรก็ไม่ยอ่อเทอาแสงจันนวลผ่องสุขสกาเมื่อคู่นี้ ดูจะอับรัศมีลงสุภัท่าพิสุห์เหยนขึ้นดูท้องฟ้าเมฆก้อนใหญ่กําลังเคลื่อนขบดบางแสงจันทร์จนมิดดวงไปแล้วแต่ไม่นานนักเมฆก้อนนั้นก็เคลื่อนคลอยไปแสงโสมสาดสองลงมาสว่างนวลดังเดิมทันใดนั้นดวงปัญญาก็พุ่งพลวงขึ้นในดวงใจของสุภัทา่าภิกษุขพอ น, นําดวงใจไปเที่ยวกับดวงจันทร์อ่า ท่านอุทานเบาๆจิตนี้เป็นธรรมชาติที่ผ่องใสมีรัศมีมันดวงจันทร์แต่อสัยกิเลสที่จอดมาเป็นครั้งคราวจิตนี้จึงเศร้าหมองเหมือนก้อนเมฆบดบางดวงจันทร์ให้อับแสงแล่แล้ววิปัสสนาปัญญาก็โพรงขึ้นชำระกิเลสแคงทะูปบาปประทมทั้งมวลที่ห่อหุ่มดวงจิตแวกอวิชชาและโมหะอันเป็นประดุลตาขาย ด้วยสัตราคือวิปัสนาปัญญาชําราชิตให้บริสุทธิ์จากกิเลสอาสวะทั้งมวลบรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาแล้วลงจากที่จงกรมมาถวายบังคมพระมงคลระบาทแห่งพระศ า, าสดาแล้วยิ่งอยู่ภายใต้แสงจันทร์สีนวลยองใหญ่นั้นพระผู้มีพระภาคบรรทมเยียดพระวรากายในท่าสีหสัยยาแวดล้อมด้วยพุทธบริษัทมากลาย แผ่เป็นปริมณฑลกว้างออกไปสุดสายตาตะดุจ ด, ดวงจันทร์ที่ถูกแวดล้อมด้วยกลุ่มเมฆกบานกันพระพุทธองค์ตรัสกับอาโนนว่าอาโนนเมื่อเราล่วงลับไปแล้วเธอทั้งหลายอาจจะคิดว่าบัดนี้พวกเธอไม่มีสาสดาแล้วจะพึงว้าเหวไร้ที่พึ่งอาโนนเอยพึ่งประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า ธรรมวินัยอันใดที่เราได้แสดงแล้วบัญญัติแล้วขอให้ธรรมวินัยอันนั้นจงเป็นศาสดาของพวกเธอแทนเราต่อไปเธอทั้งหลายจงมีธรรมวินัยเป็นที่พึ่งเถิดอย่าได้มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยเมื่อพระอนนไม่ได้ทูลถามอะไรพระธรรมราชาจึงตัดต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายผู้มาประชุมกันอยู่ณที่นี้ผู้ใดมีความสงสัยเรื่องพระพุทธเจ้า พระธรรมพระสงฆ์นมัหรือปฏิปทาใดๆก็จงถามเช่นแนี้เธอทั้งหลายจะได้ไม่เสียใจายภายหลังว่ามาอยู่เฉพาะพระพักตรภาษาสดาแล้วไม่ได้ถามข้อสงสัยแห่งตนภิกษุทุกรูปเงียบกริบบริเวณปริ น, นิพานมณฑลสงบเงียบไม่มีเสียงใดๆเลยแม้จะมีพุทธบริษัทมาประชุมกันอยู่เป็นจำนวนมากก็ตามทุกคน ปราถนาจะฟังแต่พระพุทธดำรัสเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจเป็นครั้งสุดท้ายบัดนี้พละงกำลังของพระผู้มีพระภาคเจ้าเหลืออยู่น้อยเต็มทีแล้วประดุดน้ำที่เทราบลงไปในดินที่แตกระแหงย่อมพันเหือแห้งหายไปไม่ได้ปรากฏแกสายตาถึงกระนั้นพระบรมโร ก, กนาศก็ยังประทานปัดชิโมโอวาดเป็นพระพุทธดารัสสุดท้ายว่า ภิกษุทั้งหลายบัดนี้เป็นวาราสุดท้ายห่งเราแล้วเราขอเตือนเธอทั้งหลายให้จำมั่นไว้ว่าสิ่งทั้งปวงมีความเสื่อมและสิ้นไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายต้องอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดย่างเข้าสู่ปชิมยามพระจันโครจรไปทางขอบฟ้าทิตะวันตกแสงโสมสาดส่องผ่านทิวไม้ลงมาท้องฟ้าเกลี้ยงเกลาปราชจากเมฆหมอก รัชนีแจ่มจรัสดูเหมือนจะจงใจส่องแสงเปล่งปลั่งเป็นพิเศษครั้งสุดท้ายแล้วสรวลงเล็กน้อยเหมือนจงใจอะไรในพระศาสดาผู้เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายถ้าผู้มีพระภาคมีพระกายสงบหลับพระเนศสนิดพระนุรักษ์จทระซึ่งเป็นพระเถระผู้ใหญ่อยู่ในเวลานั้นได้ได้รับการยกย่องจากพระผู้มีพระภาคว่าเป็นเลทางที่พระยจักสุ ได้เข้าฌานตามทราบว่าพระพุทธองค์เข้าสู่ปฐมฌานทุทาาตทิยฌานตาติยฌานและจตุทฌานออกจากจตุทฌานแล้วเข้าสู่อรูปสมาบัติคืออากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะและสัญญาเวทยิตนิโรธตามลำดับ แล้วถอยออกมาจากสัญญาเวทยุตนิโรธจนถึงปฐมฌานแล้วเข้าสู่ปสมฌานจนถึงกาุจตุฌานอีกเมื่อออกจากกาุตุฌานยังไม่ทันเข้าสู่อากาสานันจายตนะโทะก็บริญิพานในระหว่างนี้เองในที่สุดแม้พระองค์ก็ต้องประสบอวสานเหมือนคนทั้งหลายพระธรรมที่พระองค์เคยท่าสอนมาตลอดพระจนทีว่า สับทั้งหลายมีความตายเป็นที่สุดนั้นเป็นศัจธรรมที่มายกเว้นแม้แต่พระองค์เองนึกย้อนหลังไปเมื่อส5ห้าปีก่อนบริณิพานพรงเป็นผู้โดดเดียวเมื่อปัญจวัคคีย์ทอดยิงไปแล้วพระองค์ก็มีดีใครอีกเลยภายใต้โพที่บัลลังครั้งกันนั้นแสงสว่างแห่งการตัดสู้ได้โชดช่วงขึ้นพร้อมด้วยแสงสว่างแห่งรุ่งอรุณ พระองค์มีเพียงหยาิน้ำค้างบนใบโพลึกเป็นเพื่อนต้องเสด็จจากโพที่ม่วนทนไปภาราณาสีด้วยพระบาทเปล่าถึงสิบวันเพียงเพื่อหาเพื่อนผู้รับธรรมแนะนําของพระองค์สักห้าคนแต่มาบัดนี้พระองค์มีพิสุสงสาวกเป็นจํานวนแสนจํานวนล้านมีหมู่ชนเป็นจํานวนมากเดินทางมาจากที่สารนุชิตเพียงเพื่อได้เข้าเฝ้าพระองค์บุคคลทั้งหลายรู้สึกว่า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 โคศิตรารามเป็นต้นเสถีขหาบดีต่างแย่งชิงกันจองเพื่อให้พระองค์รับพระตาหารของเขาแน่นอนทีเดียวหากพระองค์เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิคงจะไม่ได้รับความนิยมเลื่อมใสถึงขนาดนี้และไม่ยืนนานถึงป่านนี้เมื่อสี่สิบห้าปีมาแล้วภายใต้โพธิ์คกอันร่มเย็นริมฝั่งแม่น้ำในรัญชาราพระองค์ได้บรรลุแล้วซึ่งกิเลสนิพพาน กำจัดเกลียดและความมืดให้หมดไปและบัดนี้ภายใต้ต้นสาระทั้งคู่และความเย็ยนเยื่องแห่งปชิมนยามพรมก็ดับแล้วด้วยขันธนิพานสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระรูปอันวิจิตรด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการประดับด้วยอนุพยญชนะ8ปมีพระธรรมกายอันสำเร็จแล้วด้วยนานาคุณรัตนะ มีศีลขันอันบริสุทธิ์ด้วยอาการทั้งปวงเป็นต้นถึงฝั่งแห่งความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ด้วยยศ ด, ด้วยบุญด้วยฤทธิ์ด้วยกำลังและด้วยปัญญาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นยังต้องดับแล้วด้วยการตกลงแห่งฝนคือมอรณะเหมือนกองอักขีใหญ่ต้องดับมอดลงพระฝนหาใหญ่ตกลงมาฉะนั้นพระองค์เคยตรัสไว้ว่าไม่ว่าผ่านหรือบัณฑิตไม่ว่ากษัตริย์ พราหมยไสยยะสูตรหรือการทานในที่สุดก็ต้องบ่ายหน้าไปสู่ความตายเหมือนผ้าชนะไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ในที่สุดก็ต้องแตกสลายเหมือนกันหมดนั้นช่างเป็นความจริงเช่นี่กะไรอันว่าความตายนี้มีที่คนยิ่งใหญ่นักไม่มีใครสามารถต้านทานต่อสู้ด้วยวิธีใดๆ ไ, ได้เลยก้าวเข้าไปสู่ปราสาทแห่งกษัตริย์ที่ราช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 ข้ามกลางเสียนข้าครวนอันเราคนด้วยกิ่นภูคมคคันเทียนนั้นท่านได้ยื่นพระหัตถ์ออกประชากให้ความหวังของทุกคนหลุดลอยและแล้วทุกอย่างก็เป็นไปตามพระบัญชาของพระองค์เมื่อมาถึงจุดนี้ความยิ่งใหญ่ของผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายก็จะกลายเป็นเพียงยี่ายที่ไว้เล่าสู่กันฟังเท่านั้นมงกุฎประดับเพชรก็มีค่าเท่ากับมัวฟางทักทาอันมีลวดลายวิจิตก็เหมือนท่อนไม้ที่ไร้ค่า เมื่อความตายมาถึงเข้าพระราชาก็ต้องถอดมงกุฎเพชรลงวางทิ้งพระกาชาไว้แล้วเดินเคียงคู่ไปกับชาวนาหรือขอทานผู้ได้ชิ้งจอบเสียมม่วงฟางและขันไถหรือภาชนะขอทานไว้ให้ทายาทของตนถ้าผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพานไปแล้วถ้ากายของพระองค์เหมือนขอ้งคนทั้งหลายซึ่งจะต้องแตกสลายไปในที่สุด แต่ความดีและเกียรติคุณของพระองค์ยังคงดำรงอยู่ในโลกต่อไปอีกนานเท่าใดไม่อาจจะกาหนดได้ความดีนี่เองที่เป็นสาระอันแท้จริงของชีวิตโอ้ถ้าผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประเสริฐพองค์ผู้ทรงพระมหากรุณากว้างใหญ่ดุดพ่วงมหนันลบมีน้ำพระทัยใสยบริสุทธิ์ดุดน้ำค้างเมื่อรุ่งอรุณทรงมีพระทัยหนักแน่นดุดมหิดลรับได้ทั้งเรื่องดีและเรื่องร้าย ทรงสลัความสุขสวนพระองค์ขนขวายเพื่อความสงบร่มเย็นของปวงชนพระองค์เป็นผู้ประทานแสงสว่างแก่โลกภายในคือดวงจิตประดุจพระอาทิตย์ให้แสงสว่างแก่โลกภายนอกคือท้องฟ้าปฐาพีบัดนี้พระองปรินิพานเสียแล้วมองไม่เห็นแม้แต่เพียงพระสรีระซึ่งเคยรับใช้พระองค์โปรยปลายธรรมรัตน์ป็นหนึ่งม้าแก้วแห่งพระเจ้าจากักรพรรด เป็นพาหนะนำเจ้าของตรวจความสงบสุขแห่งประชากรโอเขรามหามูนีผู้เป็นจอมชนบาดนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นประดุดนกในเวหาไร้โพหรือใส่ที่จะจับเกาะประดุลเด็กน้อยผู้ขาดมารดาเหมือนเรือที่ลอยคว้างอยู่ในมหาสมุทรอ้างว้างว้าเวสุดประมาณจะหาใครเล่าผู้เสมอเหมือนพระองค์แม้นะพระอานน์ พุทธงนุชาเองก็ยังไม่สามารถจะอดกั้นน้ำตาไปได้เป็นเวลายี่สห้าปีจาเดิมแต่รับหน้าที่พุทธะอุปถาก์มาเคยรับใช้ใกล้ชิดพระพุทธองค์สเสมือนเงาตามองค์บัดนี้พระพุทธองค์เสด็จจากไปเสียแล้วท่านรู้สึกว่าเหวและเงียบเหนาไม่ได้เห็นพระองค์อีกต่อไปเวลายี่สห้าปีนานพอที่จะก่อความรู้สึกสะเทือนใจอย่างรุนแรง เมื่อมีการพลาดพลากแต่แล้วเรื่องทั้งหลายก็มาจบลงด้วยสัจ ธ, ธรรมที่พระองค์ทรงทร่มสอนอยู่เสมอว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งพวงเกิดขึ้นเพราะมีเหตุสิ่งนั้นย่อมดับได้สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นในเบื้องต้นตั้งอยู่ในท่ามกลางและดับไปในที่สุดบัดนี้พระพุทธองค์ดับแล้ว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 Oh, oh, oh.